บทที่ 19 ธรรมะทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติอยาก ในการทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน อันเป็นการประดิษฐ์สถานพระพุทธศาสนาลงไว้ในโลกคือปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุด 2 อย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอัน อริยมรรคมีองค์ 8 คือปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงาน ซึ่งทรงประธานปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเมื่อส่งชีทางไว้แล้วก็ หรือเราผัดพรอนเอาไว้ค่อยเจริญสติสัมปชัญญะที ผมจึงต้องอัญเชิญเรื่องความไม่ประมาทมาเป็นธรรมทิ้งท้ายคือนึกถึงการเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิด 16 พฤศจิกายน 2543